พวกเราหลายคนในที่นี้นะคุ้นเคยกับพุทธศาสนามานานบางคนอาจจะคุ้นเคยมานะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คงได้ยินได้ฟังได้เข้าได้มีความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นสาระของพุทธศาสนากร น, นี้ทรายถามพวกเราว่า อะไรที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาที่เป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นแก่นธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรอะไรที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาบุคคลจะนึกถึงพระพุทธรูป บางคนอจะนึกถึงธงสีเหลืองบางคนจะนึกถึงธรรมจักรนะบางคนนึกถึงกวางนะไปวัดที่เบตรหรือไปวัดจีนบางทีก็จะเห็นกวาง2ตัวอยู่ข้างธรรมจักร ทั้งหมดที่พูดมานี่ยังไม่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดก็คือดอกบัวนะธรรมจักรนี่ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของปฐมเทศนาจะมีกวางอยู่ด้วยกวางนี่ก็หมายถึงตัวแทนของปัจจิปัจจันทรมิกัตไธยวัน ทำไมดอกบัวจึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาที่จริงก็สังเกตได้ไม่ยากนะพระพุทธรูปโดยเฉพาะในเมืองไทยหรือไม่แต่ที่ไหนก็ตามของจีนที่เบสพระมาลังกาพระพุทธรูปนี้จะที่เป็นรูปพระเจ้าจะประทับนั่งอยู่บนดอกบัวพระพุทธรูปทุกองนะในวัดนี้เนี่ย จะมีบัลลังเป็นดอกบัวทำไมดอกบัวจึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของอุตธศาสนาเพราะดอกบัวนั้นเนี่ยเกิดในน้ำโตในน้ำโตในน้ำแต่ที่สุดก็จ ะ, จะเจริญพ้นน้ำและน้ำก็ไม่สามารถจะฉาบติดทั้งใบบัวแล้วก็ดอกบัวได้ ก็หมายถึงว่าเป็นดอกบัวนี่เป็นตัวแทนของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วหรือว่าจิตแห่งพุทธะก็ได้ที่ว่าแม้ว่าจะเกิดมาในโลกอยู่ท่ามกลางโลกแต่ว่าจิตใจนั้นในสืกอก็พัฒนาอยู่เหนือโลกเหนือโลกนี่แปลว่าโล ก, กุตระเหนือโลกคือเหนือโลกธรรม โลกธรรมไม่อาจยํายีได้แม้ทําให้หวันไหวเศร้ามองได้อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้จิตของผู้ใดโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวันไหวเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไร้ทุรลกิเลสเป็นจิตเกษมสารนั่นล่ะจิตของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนพัฒ น, ฒนานะเป็นจิตของพุท ธ, ธะซึ่งมีพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวแทนเป็นแบบอย่าง ดอกบัวเนี่ยคือจะว่าเป็นอาจารย์สอนเราก็ได้นะให้จิตของเราให้ตัวเราเนี่ยได้พัฒนาดอกบัวนี่นะเกิดในโคลนตมเกิดจากโคลนตมนะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างกรีบนะที่งดงามสะอาด จนกระทั่งใครๆก็อยากจะเอาไปถวายพระเอาไปาสักการะบูชาพุตรลูกท่านังที่เดิมแท้เนี่ยก็มาจากโคลนตม้มโคลนตมนี่ไม่มีใครอยากจะไปข้องเกี่ยวนะแต่ว่าก็สามารถที่จะก่อให้เกิดดอกบัวที่งดงามโคลนตมนี่ก็อาจจะหมายถึงทุกข์ก็ได้บาปใงกิเลสก็ได้ม น, นุษย์เราก็เกิดจากกิเลสันนะ เกิดจากกามแต่ว่าในสุดเราก็สามารถพัฒนาจนกระทั่งพ้นอำนาจของกามอำนาจของกิเลสได้และไม่ว่าอะไรก็ตามก็ไม่สามารถจะทำให้จิตนะวันไหวเศร้าโศกน้ำไม่อาจฉาบหรือว่าติดดอกบัวชั้นใดนะ ผู้ที่พัฒนาแล้วเนี่ยกิเลส ก, ก็ม่ไม่สามารถจะาฉาบติดหรือว่าแตะต้องได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะดอกบัวเนี่ยจึงเป็นเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะแสดงถึงลงกติของมนุษย์นะที่ควรจะพัฒนาให้จิตใจเนี่ยนะมันอยู่เหนือโลกที่ไม่มีอะไรที่จะฉาบให้ติดได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปรดกินเสียงสัมผัสก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราศึกษาดอกบัวดีๆนะ่าจะพบว่าเขามีเามีมีขุยมีขนนะรวมทั้งที่ใบบัวด้วยที่ทำให้น้ำเนี่ยไม่ติดน้ำติดไม่ได้เพราะว่ามันมีสารบางอย่างของดอกบัวใบบัวด้วย ก็เหมือนกับจิตของคนเรานะถ้ า, าว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษากิเลสก็ไม่อาจฉาบติดหรือว่าแปดเปื้อนได้ดอกบัวเขาหลมทั้งใบบัวเขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเขาเองและใบบัวนี่สังเกตนะถึงแม้ว่าจะแบนด์เนี่ยฝนตกนี่ก็มีน้ำมา ขังอยู่ตรงกลางดอกบัวแต่ว่าน้ำนี่จะขังไม่ได้นานไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้ามันขังไม่เยอะดอกบัวก็จะอะบัวก็จะแสซสายเอโอนเอียงทำให้น้ำนะมันไหลเอียงเทล่ออกไปหมดจริงคนเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าไม่ควรที่จะแบกอะไรมาก แบกมากแล้วมันทุกข์ความทุกข์ของคนเราเกิดจากการที่ไปแบกไปยึดเอาไว้แม้แต่สิ่งที่ไม่น่ายึดหรือว่าสิ่งที่ทําให้ทุกข์เช่นอารมณ์ที่เศร้าหมองแต่ว่าทั้งที่มันทิ่มแทงจิตใจนะแต่ก็ยังแบกเอาไว้คนแนะนําให้ปล่อยให้วาง อย่างเช่นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเราโกรธแล้วมีเพื่อนแนะนําให้เราให้อภัยให้วางความโกรธลงซะเราจะไม่ยอมเราจะดึดความโกรธนั้นเอาไว้เก็บงามเรื่องราวต่างๆเอาไว้มีคนหนึ่งก็พูดไปดีนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยากจดจําเรื่องเศร้าเรื่องที่มันเจ็บปวดเท่าไหร่ เพราะว่าสมองคนเราสมองเขาเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวสมองคนเรานิดเล็กนิดเดียวนเนี่ยมันจะจบะไปจดจำอะไรไม่ได้มากหรอแล้วจะจดจําเรื่องเหล่านี้ไปทําไมวางมันลงดีกว่าจดจําเรื่องดีๆ ด, ดีกว่าจริงๆไม่ใช่แค่สมองคนเรามันเล็กนิดเดียวนะเวลาของเราในโลกนี้ก็เหลือน้อยในเมื่อเวลาของเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆทำไมเราจะเอา เราจะใช้เวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความโกรธทาไมทํไมทำไมเราไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่นีในการที่จะซึมซับ ร, รับสิ่งดีๆเอาไว้ไปเก็บทําไมนะไปจมอยู่ความทุกข์ทไมไปจมอยู่ความโศกทาไมในเมื่อเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะเอาเวลาที่เหลือน้อยนี่ไปนะรับรู้นะสัมผัสสิ่งดีๆ ด, ดีกว่า ดอกบัวเนี่ยเามีวิธีการดอกบัวใบบัวเนี่ยเขามีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ต้องรับภาระไม่ให้น้ำมาฉาบติดหรือว่าทำให้หนักอึ้งแต่ว่าไม่ได้ทำเท่านั้นนะดอกบัวเขายังทำประโยชน์ให้กับโลกทำให้คนเห็นใครก็ตามที่เห็นจิตใจก็จะรู้สึกเบิกบานเขาเติมแต่งโลกให้สวยงาม เขติมแต่งจิตใจของผู้คนให้เบิกบานแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ให้กับพวกพึ่งพวกมแมลงนะแล้วเขาก็ยังให้อาหารนะกับเราให้ยากับมนุษย์ด้วยเรียกว่าเขาทั้งรักษาตัวเองให้ให้ดีงามแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย อันนี้ก็เป็นแบบอย่างของมนุษย์เหมือนกันนะของเราทุกคนเราควรจะรักษาจิตใจของเรารักษาชีวิตของเราให้เจริญงอกงามและขณะเดียวกันก็ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยบําเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอัตตทะและปรัตถะอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของมนุษย์หรือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์เลยซึ่งมีพระตุจ้าเป็นแบบอย่าง พระพุทธ้านี่ทรงบำเพญ็ญปัญญาจกนกระทั่งหมดทุกข์แล้วก็ทรงเกื่อกูลประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งเทวดามารพรม้มด้วยความกรุณาภาพปัญญาคุณและพระกรุณาคุณจะเป็นสัญลักษณ์เป็นคุณธรรมสําคัญของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธคุณเรคนเราก็โดยพระชาวพุทธก็ต้องจเจริญรอยตามทํางานเราจะ อบําเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้บําเพ็ญประโยชน์ตนนะก็คือว่าทำงานอย่าให้ความทุกมาครอบงําย่ำยํำยีจิตใจของเราอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าเราต้องมีสติรักษาใจเมื่อเรามีสติรักษาใจความทุกก็ไม่อาจจะมาครอบงาําย่ํำยีได้คนเราเวลาทุกเนี่ย เวลาทุกข์ใจเนี่ยไม่มีใครมาทำให้ทุกข์แต่เป็นใจของเราเองหรือเป็นตัวเราเองไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้ใจเป็นเพราะใจที่ยึดติดถือมั่นใจที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเหมือนกับที่เหมือนกับเรามีมีดโกนหรือว่าเศษแก้วอยู่ในมือมันทำอะไรเราไม่ได้เลยนะ เด่มเสร็จแต่ว่าเราจะกรรมเอาไว้ก ร, รมเศษแก้วกรรมมิกโกนแล้วก็กรรมรถ บ, บีบ ก, กรรมร บ, บีบถึงตอนนั้นแหละนะก็จะเกิดแผลขึ้นเราจะไปโทษมิโกนก็ไม่ได้จะไปโทษเศษแก้วที่แหลมคมก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่บีบไม่กรรมมันก็ทำอะไรไม่ได้ประสบการณ์เหตุการณ์ ที่เจ็บปวดเร็วร้ายในอดีตหรือคำพูดที่หยาบคายต่อว่าด่าทอถึงแม้มันจะอยู่ในหัวของเรามันอยู่ในความทรงจำของเราแต่ถ้าเราไม่ไปย้ำคิดย้ำนึกนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเรามีแผลได้แล้วทำไมเราถึง คอยย้ำคอยนึกถึงมันก็เพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่รู้ทันความคิดเราต้องหันกลับมาดูใจของเรานะอย่ามัวแต่ดูสิ่งภายนอกเวลามีความทุกข์ใจอย่าอย่ามัวแต่ไปเพ่งโทษข้างนอกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของให้กลับมาดูใจของเราเพราะใจที่วางไว้ไม่ถูกนั่นแหละนะที่มันสร้างปัญหาหรือไม่แต่เวลามีปัญหาใดก็ตามเกิดขึ้นเนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นเ้ากลับมาดูตัวเราเองด้วยมันมีเรื่องเล่านะอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมือ่อสักร้อยปีที่แล้วคนตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนจนดึกเมื่อได้เวลาเขาก็ขอตัวเพื่อนนะจะกลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโค้ให้เขาแล้วก็จุดเทียนให้พร้อมเลย ยื่นใส่มือชายตาบอกคนนั้นบอกว่าให้เขาให้ให้โคมฉันทำไมนะฉันไม่ต้องใช้โคมฉันก็เดินกลับบ้านได้เพื่อนก็บอกว่าถึงคุณไม่ต้องการใช้โคมก็จริงนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์จากโคมที่คุณถือดละยังช่วยทำให้เขาไม่เดินชนคุณด้วย ชายตาบอกก็รับถือโคมไปก็เดินกลับบ้านไปสักพักใหญ่จู่ๆก็มีคนเดินมาชนเดินมาชนจนล้มเลยนะชายตาบอกก็ตะโกนออกมาว่าเนี่ยแกตาบอดหรือไงนะไม่เห็นโคมของฉันเหรื อ, อคนที่ไปวิ่งชนเขาก็ตกใจนะเขาก็รีบพยุงชายตาบอกขึ้นแล้วก็บอกว่าขอโทษครับ แต่โคมของคุณเนี่ยมันดับอยู่นี่ครับนะฟังเรื่องนี้ได้ไงคิดไหมนี่แหละที่เขาเรียกวันที่ทานเซนนะเราได้ไงคิดอะไรบ้างนะจากเรื่องนี้เนะี่ยงคิดนะอย่างหนึ่งที่เราน่าจะได้คือว่าเ้าสอนเราว่านะเวลาอา่า เวลาทําอะไรเนี่ยอย่านึกแต่ถึงประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวให้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยชายตาบอดเนี่ยไม่ต้องการใช้โคมนะแต่ว่าเขอควรถือโคมไปในเวลาขำคืนเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นนั่นเนี่ยในยสุดก็จะย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเขาเองก็คือว่าเมื่อคนอื่นได้เห็นโคมเห็นทางเขาก็ไม่เดินชนคนตาบอด เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเราเรานึกถึงคนอื่นด้วยนึกถึงประโยชน์องคนอื่นบางอย่างเราไม่จาเป็นต้องใช้แต่ว่ามันคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะได้ใช้ถ้าเราเอาเื้อเฟื้อเกือเก้อกูลต่อคนอื่นนะในที่สุดแล้วเนี่ยผลมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นง่คิดนะที่สอนใจเราคนที่คอยอคอยเอื้อเฟื้อเพื่อนบ้านนะคอยดูแลเพื่อนเวลามีอะไรที่เขาขาดแคลนก็เอาไปให้เขาหรือบางทีมีขนมก็เอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะเวลาจะมีโจรเข้าบ้านนะแอบเข้าบ้านเรา เพื่อนบ้านเรานี่แหละที่เขาจะเป็นคนแรกที่จะมาบอกเราว่าอมีขโมยเข้าบ้านหรือมีคนพยายามเข้าบ้านความเอื้อเฟื้อที่เรามีกับเขาเนี่ยในสูตรเนี่ยมันก็ผลส่งผลย้อนกลับมาที่เราคนแต่ก่อนรวนทั้งชาวบ้านเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีนะว่าการเอื้อเฟื้อผู้อื่นเนี่ยมาไม่ได้เกลื่อเปลี่ยวแก่ใครเลยในที่สุดก็เกื่อเปลี่ยวกับตัวเอง เคยมีคุณป้าคนหนึ่งนะเรื่องนี้นี่คุณนิลมนเมธีสุวัคุลซึ่งเป็นคนทำหนังสารคดีทุ่งแสงตะวันซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะทุกวันเสาร์ยี่สปีมาแล้วทำมาย0ปีก็ยังไม่เลิกเราว่าเธอเคยไปทำสารคดีในชนบท แล้วก็ระหว่างที่พักถ่ายทาก็มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเขาคุ้นเคยกันจากการที่ไปถ่ายทาสา ร, รคดีพอไปอยู่เป็นอาทิตย์คุณป้าถือปลาถือปลามาพวงหนึ่งพอเดินเจ อ, เอาชาวสา ร, รคดีกลุ่มนี้ก็ถามว่าไอปลาพวงนี้เนี่ยทำไงถึงจะกินได้นานคนในกองถ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองก็ บางคนก็บอกว่าไปใส่ตู้เย็นบางคนก็บอกว่าเอาไปแช่เอาไปหมักบางคนก็บอกว่ า, าไปตากแดดบางคนบอกไปทําส้มนะคุณป้าบอกผิดหมดเลยนะต้องอไปแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงเนะมื่อเราไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทั่วถึงเนี่ยเราถึงจะกินได้นานซึ่งอันนี้อาจจะสวนทางความเข้าใจคนกรุงเทพนะคนเมืองเพราะว่าถ้าไปแบ่งให้คนอื่นหมดแล้วเรายิ่งไปแบ่งให้คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้กินเหลือกินน้อยลง แต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คิดแบบแค่ปลายจมูกถ้าคิดไปยาวๆถึงเวลาที่เขามีได้ปลามาถึงเวลาที่เขาได้ได้กุ้งมาเขาก็เอามาแบ่งเหมือนกันกินได้นานเนกินได้นานเพราะความเอื้อเฟอื้เฟอเผอแพ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยอย่นึกถึงแต่ประโยชน์ของเราต้องนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยอันนี้คือแง่หนึ่งของนิทานเรื่อง ที่พูดมาสักครู่ก็บอกให้เขมองไว้ให้หลอมมืองมองเลยพ้นตัว อ, ออกไปให้นึกถึงคนอื่นแต่ขณะเดียวกันเวลามีปัญหาก็อย่ามองอย่าโทษคนอื่นให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองตอนที่ชายตาบอดเนี่ยโดนคนชนเนี่ยนะแกก็โกรธและแกก็โทษคนที่วิ่งมาชนคนที่เดินมาชนนะว่าซุ่มซ่ามตาบอด ตาบอดรืองไงมัเนเองโคมชันเหรอแต่เขาหารู้ไหมว่าที่จริงแล้วโคมเขาบรนดับไปนานแล้วมันไม่ใช่เป็นความผิดของชายคนนั้นเลยก็ว่าได้แต่มันเป็นเพราะโคมเขามันดับแต่ชายตาบอดก็ไม่มีทางรู้นะเพราะเขาตาบอดเนี่ยก็คงไม่ตาจากคนเราณเวลาเกิดปัญหาแล้วไปโทษคนอื่นโดยที่ไม่ได้กลับมามองตัวเองว่า สาเหตุอาจจะเกิดจากตัวเองก็ได้เวลาไปโทษคนอื่นโดยไม่กลับมามองตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่คนตาบอดนะบ่อยครั้งคนเราเนี่ยไปมัวแต่โทษคนอื่นจะไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าแท้จริงเนะ่ยปัญหาเกิดจากเราเองมันก็แปลนว่านะคนเราเวลามีเกิดปัญหาขึ้นมามักจะมองออกไปข้างนอกคือโทษคนอื่นแต่เวลานึกถึงประโยชน์ก็จะ มองกลับมาที่ตัวเองคือว่าสนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองไม่สนใจประโยชน์ของค น, อ, งคนอื่นนีทางเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนตรงข้ามกับนิสัยคนทั่วไปคือว่าเมื่อนึกถึงประโยชน์เนี่ยอย่านึกถึงแต่ปรีโยชของตัวเองมองออกไปให้ถึงประโยชน์คนอื่นด้วยแต่เวลามีปัญหาอย่าอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นให้กลับมาดูตัวเองถ้ามองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นสาเหตุอย่างไรบ้างนี่ก็ไม่ต่างจาตาบ มีพนักงานต้อนรับโร ง, โรงแรมแห่งหนึ่งนะเขาเล่าว่านะเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะก็มีอลูกค้ามาเช็คเอาท์เขาก็ถามว่าเป็นยังไงครับนอนหลับดีไหมครับชายคนนั้นก็สายเขาบอกไม่ไหวเลยนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนนั้นเนี่ยผมหลับๆับตื่นตื่นทั้งคืนเลยเพราะว่าไอ้ห้องข้างเนี่ยมันเอาแต่ทุบทุบผนังนะ พอจะพลอย ห, หลับสักพักต้องตื่นเพราะว่ามันทุบผนังแล้วพอจะหลับอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกามันทุบอีกแล้วนสายมันเร็วมากนะไอห้องข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็จากไปสักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินมาเช็คเอาท์เป็นยังไงครับหลับดีไหมครับไม่ไหวเลยนะไอห้องข้างๆนี่มันกลนทั้งคืนเลยนะ พอผมทุบผนังมันมันก็งเงียบไปพอผมจะหลับมันก็โกรธอีกนะผมต้องทุบนะมันถึงจะเงียบนะตกลงใครเป็นปัญหาแน่นะคนแรกหรือคนที่สองไอ้คนแรกนี่ไปโทษคนที่สองว่าเนี่ยนิสัยเลวนะชอบทุบผนังนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเพราะเขาโกรธนะ่ะทําไมเขาไม่รู้เพราะเาหลับ แล้วคนที่มองไม่เห็นว่าสาเหตุเกิดจากตัวเองนะหรือคนที่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากตัวเองเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากคนหลับหรือคนตาบอดนะนั่นถ้าเกิดว่าเราไม่ย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าบ่อยครั้งปัญหาเกิดจากเราไม่ใช่เกิดจากคนอื่นความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างเพือ่อน่วงงาน มันมักจะคล้ายๆตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็โทษซึ่งกันและกันแต่จะมีกี่คนที่กลับมามองว่าเออเราเองก็เราเองอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาก็ได้หรือเราเองก็มีส่วนของปัญหาก็ได้ทุกคนไม่ต่างจากชายตาบอดหรือคนที่หลับนะกลนสร้างปัญหากับให้กับคนรอบข้างแต่ไม่รู้ว่ากลนเพรอะหลับนะ ไปว่าคนอื่นว่าเขาตาบอดมาชนไม่เห็นโครงของเราโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าโครงของเรามันดับไปนานแล้วนะจะกลับมาดูตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีสตินะสติทำให้เรามาเห็นตัวเองมันต่างจากการเห็นตัวเองด้วยตาเนื้อนะเวลาเรามองตัวเองเนี่ย ผ่านกระจกเนี่ยเราใช้ตาเนื้อแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยก็จะชอบมองกระจกอยู่เป็นประจำเพราะว่าอยากจะให้หน้าตาสะสวยนะว่ามีคนทำสถิตินะพบ ว, ว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เมืองไทยนะ น, นี้เป็นคนอังกฤษผู้หญิงเนี่ยวันหนึ่งจะมองกระจกประมาณ36ครั้งหรือ40ครั้ง มองกระจกเนี่ยแสดงว่ามองกระจกทุกครึ่งชั่วโมงเลยคนไทยก็คงจะน้องๆกันนะมองกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกในห้องน้ํากระจกรถยนต์หรือว่ากระจกในบ้านหรือแม้กระทั่งกระจกตามออฟฟิศต่างๆนะเพื่ออะไรเพื่ออยากจะให้หน้าตาสาวสวยแต่ว่าปล่อยให้จิตใจเนี่ยเคลือกลัง ด้วยความเศร้าด้วยความขุนมัวนะด้วยความาผมขืน่นโกรธแค้นเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาลืมใช้ตาในดูใจเขาใช้แต่ตาเนื้อดูดูดูใบหน้าแล้วก็พยายามทำให้ใบหน้าสะอาดผมเผ้าสละส ร, ะสะรวยแต่ว่า ไม่สนใจที่จะใช้ตาในดูใจถ้าคนเราเนี่ยดูใจของตัวเองเนี่ยวันละ3าครั้งเนี่ยตามาว่าจิตใจจะผ่องใสไม่น้อยไปกว่าใบหน้าแต่วันหนึ่งเนี่ยเราใช้ตาในดูใจของเราบ้างไหมนะหรือว่าดูวันละกี่ครั้งสองสาครั้งถึงหรือเปล่า ธรรมชาติให้ไม่ได้ให้เฉพาะตาตาเนื้อมาเท่านั้นแต่ให้ตาในมาด้วยตาเนื้อเอาไว้ดูสิ่งภายนอกคอยป้องกันอันตรายแล้วคอยดูแลรักษาร่างกายโดยเพราะใบหน้าให้หมดจดแต่ว่าเราไม่มไม่ค่อยใช้ตาในเพื่อชำระจิตใจให้สะอาด ผู้คนทุกวันนี้นะจำนวนมากก็หน้าตาสวยแต่ใจเนี่ยหม่นหมองนะมันจะถ้าตรงข้ามอาจจะดีสั ก, กว่าก็คือว่าจิตใจผ่องใสถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะมีฝ้ามีหรือว่าไม่สะอาดเพราะว่าไม่มีกระจกจะให้ส่องแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจะทําได้ทั้งสองอย่างคือว่าเราก็ดูแล หน้าตาของเราให้สดใสเพราะเรามีกระจกที่จะส่องอยู่บ่อยๆและตาเนื้อเราก็ใช้การได้ค่ะเดี๋ยว ก, ก็ใช้ตาในเข้ามาดูใจของเรานะเวลามันทุกข์ทุกข์ใจนะอย่าพึ่งไปมองอย่าพึ่งไปใช้ตาเนื้อเพื่อกล่าวโทษคนอื่นให้กลับมาใช้ตาในเพื่อมาดูว่า เป็นพ่เระวางใจผิดไหมนะเรามองเขาในแง่ลบหรือเปล่าหรือเป็นพ่อเรามีความยึดติดถือมัน่นถ้าพูดแบบฟันธงนะทุกครั้งที่เราทุกใจเนี่ยมันล้วแล้วแต่มีสาเหตุมาจากความยึดติดถือมัน่นไม่อย่างใดก็ อ, อย่างหนึง่งเช่นเวลาเราโกรธเมื่อได้ยินคาําด่าต่อว่าด่าทอของใครเนี่ยก็เพราะว่า ถึงที่สุดแล้วเรามีความยึดติดในหน้าตาของตัวเองยึดติดในความเป็นตัวกูเราสือว่าเราเสียหน้าที่เขามาพูดวิจารณ์ต่อหน้าธารกรรนันหรือว่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเราอันนี้มันเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในตัวกูถ้าเราเสียใจเพราะเงินถูกขโมยหรือว่าของหายผ่านไปเป็น อาทิตเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่คลายนั่นก็เพราะเรามีความยึดติดถือมั่นในของกูถ้าของเพื่อนหายเราเฉยๆเราก็บอกเขาว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่ถ้าเป็นเงินเราเองนี่ทำใจไม่ได้เพราะว่าความยึดมั่นในของกูนี่มันแรงมากแล้วความยึดมั่นในของกูนะมันมันดีหรือเปล่านะ แล้วมันจริงไหมที่อะไรที่เป็นของกูมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นของกูสักอย่างเพราะจะเป็นของกูก็ตายแล้วก็ต้องเอาไปได้แต่ว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้หรือแม้แต่ตอนที่ยังอยู่ก็สั่งให้มันให้มันใหม่เอี่ยมก็สั่งไม่ได้จะสั่งให้มันใช้การได้ตอลอดเวลาไม่เสียก็ทำไม่ได้ มันไม่อยู่ในอำนาจของเราจรึงไม่อาจจะเรียกว่ามันเป็นของกูเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูให้ดีนะเวลาทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะคนอื่นหรอกแต่เป็นเพราะว่าใจของเรานะมันมีความยึดติดถือมัน่นยึดติดถือมัน่นทั้งตั้งแต่ว่าไปเอาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปนานแล้วมาเก็บเอาไว้ไม่ปล่อยไม่วาง สวมทั้งระยึดติดถือมั่นในความเป็นตัวกูของกูถ้าไม่ใช่ตาในนะก็จะไม่เห็นจะไม่มีทางเห็นเลยนั่นก็จะแต่เอาแต่โทษคนอื่นนะเหมือนกับชายตาบอดที่โทษคนที่วิ่งมาชนโดยที่ไม่ได้ฉเฉลียวใจว่าหรือไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นเพราะโควงของตัวเองมันดับนะใหเรามีตาในแล้วนะต้องใช้นะ ตาในคือสติคือปัญญาต้องพัฒนาให้มันให้มันรวดเร็วฉัวบฉับไวเป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยนั้ไม่ได้ไม่ยากเลยนิสัยการมองกระจกการส่องกระจกเนี่ยมันก็เป็นนิสัยที่สร้างขึ้นมาตอนเด็กๆตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีนิสัยนี้แต่เราก็สร้างขึ้นมาจนกระทั่งส่องกระจกวันละไม่รู้กี่ครั้งส่องดูหน้าตางตัวเอง การใช้สติส่องดูใจนะมันก็สร้างได้เหมือนกันแล้วถ้าเราทำจนเป็นนิสัยนะมันทำงานเองนะไม่ต้องสั่งนะมันเป็นนิสัยแล้วมันจะทำงานเหมือนกับเครื่องสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณอ่กากันไฟกันเพลิงเวลามีควันลอยคลุ้งในห้องเนี่ย สัญญาณถ้าไวมากเนี่ยพอได้พอมีควันมากระทบนี่มันก็รู้แล้วว่าเกิดอันตรายมันก็จะส่งเสียงให้เจ้าของบ้านเจ้าของตึกรู้ว่ากำลังจะเกิดอันตรายไม่ต้องรอให้เกิดเปลวไฟซะก่อนเพอาะถ้าเกิดเปลวไฟลุกท่วมแล้วนี่มันอาจจะดับไฟได้ยากจะเป็นแค่มีควันนะที่ควันหนาๆนี่สัญญาณมันก็จะเตือนทันทีถ้ามันไวเนี่ย สติของเราก็เหมือนกันนะเวลามีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นแม้เพียงเป็นแม้เพียงเล็กน้อยความเศร้าความโกรธความเบื่อความขับแคนมันยังไม่ทันกลายเป็นความพยาบาทนะเพียงแค่เกิดความหงุดหงิดเกิดโทรศัเล็กๆนี่เราก็รู้ทันแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอ า, อาจจะเกิดเนื่องมาจากหูได้ยิน เสียงที่ไม่ไพเราะหรือว่าตาได้เห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นมาแม้เพียงแค่ชั่วสปาของหรือชั่วเกิดประกายแล้วก็ดับมันได้ทันความทุกข์ก็เกิดไม่เกิดขึ้นไม่ได้ใครก็จะว่าอะไรไปเราก็ไม่ทุกขนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอา่า ให้เราตระหนักเสมอว่าการกลับมาดูใจกลับมารู้ท่าทานความคิดอารมณ์เนี่ยสำคัญมากไม่ว่าในยามที่เกิดทุกข์ใจหรือไม่ว่าในยามที่เกิดปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นอย่าพึ่งหรืออย่ามัวแต่ไปมองส่งจิตออกไปข้างนอกกล่าวโทษใครกลับมาดูใจของเราเราจะพราบว่าอ๋อที่แท้นี่เป็นตัวเราเองเป็นพ่อใจเราเองต่างหากที่ทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดทุกข์ และนั่นแหละก็จะการดับทุกข์หรือว่าการแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายคำนี้ก็พูดกับท่านนี้นะครับ